จะฟังหรือยางเอาละเพื่อไม่ให้คนที่มาเริ่มต้นฟังตอนคำ่ำขอเท่าความตอนบ่ายให้ฟังสักนิดหนึ่งหัวใจของพุทธศาสนาอยู่ที่ละชั่วก่อนแล้วทำดีหลังจากนั้นก็เป็นเรื่องของจิตบริสุทธิ์จิตขาวรอบเรื่องของสามสนิกะชนที่ยังไม่เข้าใจที่จะต้องทำความเข้าใจว่า บาปนั้นเป็นสังขารซึ่งเป็นเรื่องปรงแต่งให้ยุ่งไปตามแบบของบาปและความชั่วส่วนบุญก็ปรงแต่งแบบบุญนันก็เป็นสังขารเหมือนกันที่เขาเรียกว่าปุญญาภิสังขารคือมันปรงให้เกิดรู้สึกอยากทำมากทำน้อยอยากทำแบบนั้นแบบนี้อย่างที่เราเรียกกันว่าสั้นๆเมื่อสองวันยมได้ดูข่าวไหมเขาจะบวชลูกชาย ที่บางารทองนี้แล้วเขากลัวว่าเขาจะจัดงานไม่ดีไม่พร้อมไม่ใหญ่เหมือนกับบ้านอื่นเขาจัดกลุ่มไปกลุ่มมายิงตัวตายเลยไม่ได้บวชลูกเลยนี่มันเป็นบุญก็แต่มันวุ่นวายแบบบุญนั้นประโยคต่อไปหลวงพ่อธธพุทธทาสจึงบอกว่าไอการปรุงแต่งแบบดี มันจึงมีคนเป็นอันมากที่เมาดีบ้าดีหลงดีบ้าบุญเมาบุญหลงบุญบ้าสุขติดสุขหลงสุขจนกระทั่งมันกลายเป็นดีซ่านฟุงซ่านต่ความดีอยากจะทำให้ดีแต่กลัวว่าจะไม่ดีกลัวไปกลัวมาอย่าอยู่ดีกว่าเดี๋ยวเพื่อมันไม่ดีก็เลยต้ง้งการดวดตายที่บางกทองนี่เอง ทางจากวัดนี้ไม่ถึงสิบกิโลเพราะฉะนั้นในหลักของเราแล้วเมื่อเราละทุกได้มาได้ความสุขแล้วก็อย่าบ้าสุขหลงสุขติดสุขเพราะการหลงสุขติดสุขเนี่ยมันเกิดเรื่องอะไรขึ้นจมได้ดูข่าวไหมวันนี้พี่สาวของท่านผู้หญิงสีรัตน ลองไห้มื่อศาลตัดสินติดคุกตั้งหลายปีใครจะคิดว่าคนอยู่สุขสบายมีหน้ามีตาเป็นได้ถึงอย่างนั้นอย่างนี้แล้วอย่านึกว่าสุขนั้นมันจะราบเรื่นตลอดไปมันมีวันที่เปลี่ยนแปลงได้ถ้าใจไม่ขาวรอบไปติดสุขติดดีติดบุญหลงบุญเวลาหมดบุญแล้วยุง ยมว่าเทวดาตกสวรรค์เนี่ยมันจะทุกข์กว่าคนตกต้นไม้ไหมเออใครคิดดูทีมันเคยอยู่บนสวรรค์สบายเจ้าจู่จูสวรรค์พลิกผันยังไงก็ไม่รู้จากสูงมาเป็นตํำเออเขาเรียกว่าพลิกหัวกมำมมเลยทำให้ทุกข์กันตุวนหน้า เมื่อก่อนเราคิดว่าลูกเราหลานเราได้ดิบได้ดีมีหน้ามีตาเราก็เลยไปพอยติดสุขหลงสุขหลงภูมิใจในความได้ดิบได้ดีแต่พอดีมันแตกดีมันเปลี่ยนดีมันผิดเป้าหมายไปก็ทำให้ทุกอย่างเปลี่ยนแปลงหมดการทำจิตให้ขาวไว้ตั้งท่ารับไว้ว่า อะไรจะเกิดเราก็จะไม่ร้องไห้ร้องห่มตีอกจกตัวเขกหัวล่ำให้เราต้องลึกบางทีเราก็ได้ดีกว่าคนอื่นมาตั้งเยอะแล้วพอมาถึงข่าวนี้บ้างคนอื่นเขาก็ได้ผ่านมาแบบเดียวกับเรานี่แนะเขาก็เคยอยู่สูงแล้วตกลงตำ่ำเขาเป็นคนเคยอะไรนะที่เขาใช้สับว่าคนเคยรวยกับคนเคยจน ยมว่าอะไรดีประกันตอนนี้คนเคยจนเนี่ยดีเนาะแ้วมันรวยแต่คนเคยรวยแล้วมามคนเคยเป็นใหญ่เป็นโตแล้วมาตกต่ำติดคุกติดตรางอันนี้แหละถ้าตั้งท่ารับไม่ดีก็จะทุกทรมานท่านจึงบอกว่าแม้จะทาดีทากุศลทุกอย่างแล้วจิตยังไม่ขาวรอเนั่นแะ ขอให้นึกถึงข้อนี้ที่ว่าแม้จะทำบุญทำกุศลแล้วจิตมันก็ยังไม่ขาวรอบแล้วก็ไม่รู้ไม่เข้าใจยังคิดอยู่ว่าไม่ทำชั่วทำแต่ดีพอแล้วคนเนี้ยไปติดจุดสองข้อเราไม่ทำชั่วเราทำดีก็พอแล้วเลยลืมทำจิตให้ขาวรอบทำให้จิตตั้งมันบริสุทธิ์เวลาดีมันพลิก ท, ท่าไม่อยู่เลยเขาเรียกว่าหกกรเมนตีลังกา er อย่างเสียท่าเพราะฉะนั้นท่านจึงบอกว่าอย่าไปบอกว่ามันพอแล้วเหนือบาปก็มาถึงบุญเหนือบุญก็มาถึงที่ว่าสิ่ง น, นี้ที่แท้ในที่เรียกว่าเยือกเย็นเป็นสุขนิพพานบริสุทธิ์ผุดปองเขาจึงไม่ให้สอนอยู่แค่และชั่วทำดี ต้องสอนให้ฝึกจิตฝึกใจให้มันสะอาดมันบริสุทธิ์ไม่ขลุ่นมัวเรียกว่าถ้าทำดีแล้วไปติดดีเนี่ยมันอาจจะทําให้ขึ้นเหนือดีขึ้นไปไม่ได้ <c oughs> เหนือดีขึ้นไปมันก็มีแต่เราขึ้นไม่ได้เราคิดว่าพอแล้วได้ละชั่วมาได้ทําดีก็พอแล้วมันลืมเรื่องความว่าง จากความดีเราว่างจากความดีหมายความว่าไงเรานึกว่าเราได้เป็นคนที่เหนือคนอื่นดีกว่าคนอื่นฐานะชื่อเสียงวงตระกูลดีกว่าคนอื่นหมดแต่ดีดังฐานะตรงตระกูลเนี่ยยังไม่ดีเท่ากับมีความว่างอยู่ในใจคือปล่อยวางความยึดถือว่าเราฐานะดีย ด, ดีตำแหน่งดี แล้ว <S an> ก็มีอะไรอะไรดีกว่าคนอื่นเยอะเนี่ยดีพวกนั้นที่ว่าเป็นของวัตถุยศตําแหน่งทรัพย์สินคาร์บานใหญ่ลถเยอะมันก็ยังไม่ดีเท่ากับความว่างที่หัวใจมีความว่างจากความยึดติดในเรื่องเหล่านั้นสรุปความว่าอะไรที่ว่าดีดีดี ด, ดีทำให้ได้มาแล้วก็อย่าไปบ้าอย่าไปหลงอย่าไปหมกมุ่น กับมันมีใจสําคัญของคําว่าพุทธภาสิตที่เป็นหัวใจพุทธศาสนามีอยู่อย่างเนี้ยที่กล่าวไปเมื่อตอนกลางวันสรุปสั้นๆได้อะไรมาถูกใจแล้วอย่าไปหลงกับมันมีทุกขละทุก์ได้แล้วได้สุขได้สุขแล้วก็อย่าหลงกับมันมีเท่าเนี้ยอย่าหลงกับมันอย่าหลงกับมัน พอไม่หลงจิตเนี่ยมันก็จะเริ่มขาวเริ่มบริสุทธิ์เริ่มว่างงั้นวันสำคัญวันนี้ที่หัวใจพุทธนาที่พุทธเจ้าประทานนโยบายให้พระช่วยผู้ช่วยบรรยายช่วยขยายให้ชาวบ้านได้กระยิบจากคำว่าทำดีดีดีดี ด, ดีมาแล้วเนี่ยได้ดิบได้ดีได้น้าได้ตาได้ชื่อได้เสียงได้ครอบครัวที่ดีได้เขา เป็นคนตะกูนดีแต่ก็อย่าไปติดว่าจะดีได้อย่างงั้นทุกวันอย่าเป็นหลงมันเพราะมันมีวันที่ถูกเขีย่ยออกจากดีได้ไหมย้อนนี้ผู้ชายมันเขีย่ยผู้หญิงทิ้งง่ายง่ายไหมเนีมันได้ใหม่มันก็เขีย่ยเก่านั้นตอนถูกเขีย่ยเนี่ยจะจะตั้งท่ารับได้ไหมนี่ต้องหลบไปเลียแผลต่างประเทศเออ เนี่ต้องตั้งท่ารับให้ดีนั้นใครได้อะไรใหม่ใหมดีๆอย่าลึกว่ามันจะดีกับเราทุกวันมันมีการเปลี่ยนแปลงไม่งั้นเขาไม่สํารวจออกมาแล้วว่าเมืองไทยเนี่ยสามีพัญญาไปมีกิ๊กเปลี่ยนใหม่เปลี่ยนใหม่มากที่สุดในโลกนะมื่ออาทิตย์ที่แล้วนิยมได้ดูบ้าเขาถือว่าประเทศเหล่านี้มากที่สุดในโลก ฝรั่งจริงๆแต่งเขรักกันย็นตายเห็นไหมฝรั่งแก่ๆมาเที่ยวอ่ะมันรักกันเย็นแก่เลยนะของเราแก่รักสาวมีแก่รักแก่ไม่กี่มีน้อยของเราเนาะมีแต่แก่ไป่หลงสาวเอาตอนนี้ขยอบมาอนิดหนึ่งลักษณะเด่นของพุทธศาสนาถ้าเรารู้ว่าของเรามีอะไรดีๆเราจะพูดนิดไม่ยม แม่พระมีข่าวเช้าฉกอยากจะเปลี่ยนศาสนาแล้วคนที่พูดเช่นนี้เป็นคนไม่รู้ลักษณะเด่นของศาสนาตัวเองถ้ารู้ลักษณะเด่นเดๆนเดเด่ น, ด น, ดนอย่างที่บรรยายไปเมื่อตอนกลางวันห้าข้อหรือหกข้อจะไม่ได้แล้วล่ะแต่วีก็มียี่สิบเดี๋ยววันนี้เอาสักเท่าไหร่ดีอีกสักห้าไวไหม มันใจในยักษ์หน้าเดี๋ยวจะดึกหน่อยก็โอ้โหแล้วสองก็ดิที่พูดไปที่แรกไม่อธิบายนะพูดให้ฟังว่าพุทธศาสนาไม่มีรลากฐานมาจากฤทธิเดชปาฏิหารแต่เป็นาศาสนาที่มีเหตุผลดูแล้วคุณงามความดีเห็นชัดจึงยอมรับว่าของเราดีอยู่แล้วไม่ต้องเปลี่ยนไปหาใหม่ของใครอีกละ่ะสอง พุทธศาสนาเป็นตัวอย่างประชาธิปไตยเก่าแก่ที่สุดของโลกคือหลักการวิธีการทันสมัยในปัจจุบันเนี่ยโยมเวลาพระที่ทันรับกฐินเนี่ยท่านก็เป็นประชาธิปไตยถามคณะสงฆ์ว่ารูปใดควรคองผ้าควรได้กานผ้าถ้าสงฆ์ไม่อนุญาตให้องค์ใดองค์หนึง่งทักท่วงขึ้นมา เป็นบอกพระกร็น่าจะได้เป็นสามีท่านแตกฉันดีแต่เกิดมีองค์ใดคัดค้านก็ไม่ได้ถ้าหากไม่คัดค้านให้สาธุการพร้อมกันถ้าสาธุก็เป็นอันผ่านมติประชาธิปไตยเนี่ยบุษันาก็เป็นมาก่อนสพุษิสนามีสำคัญลักษณะเด่น คือส่งเสริมสิทธิมนุษยชนบางที่กล่าวแล้วว่าไม่ต้องหรอกผู้หญิงเนี่ยไปเรียกร้องสิทธิพอไม่ได้ก็ลาออกน้อยใ จ, จแสดงสปิริตใช่ป่ะหรืออาจาจะแสดงความงอนก็ได้ไม่ได้ยังใจแต่พุทธศาสนาเนี่ยให้เสรีภาพในการได้มรกได้ผลได้ความสุขได้บุญจากศาสนาเท่ากัน ผู้หญิงนี่ไม่ได้ว่าบวชแล้วหรือไม่บวชไม่มีโอกาสเป็นโสดาบันนั่งวิสาขาได้เป็นโสดาบันไหมพระบางองค์ยังไม่ได้มีไหมตกลงเรื่องได้มรด้ผลได้เสรีภาพในการได้มรด้ผลได้ความสุขผู้หญิงก็มีสิทธิ์จะปฏิบัติให้เกิดได้แต่ทีนี้เราไม่สนใจเรื่องนี้นี่ต้อไปสนใจว่าจะได้อะไรเท่ากัน เช่นผู้ชายมันไม่ใส่ท่อนบนผู้หญิงก็ประเทศอะไรอ่ะที่มันบอกขอเปืยท่อนบนบ้างได้ไหมผู้ชายมันยังได้ผู้ชายทำอะไรได้ผู้หญิงก็จะทำได้จะได้สิทธิเท่าคงสนุกนะพุทธเจ้าตรัสว่าทุกโขสมาณนะสังวาสูการอยู่เสมอกันเป็นทุกอย่างยิง่งลูกเนี่ยมันต้อง เชื่อฟังกดพ่อแม่บ้างแต่ถ้วันใดลูกเราบอกแม่พ่อใหญ่มาหลายปีแนละแบ่งกันมั่งยพอเป็นมากี่ปีฉันขอเป็นบั่งเท่ากันลูกกับพ่อเท่ า, ากนันได้ไหมโยนิ้มันเท่ากันไหมเนี่ยการนั่อยู่เท่ากันเนี่ยเดี๋ยววัดนี่เดี๋ยวพระบวชใหม่ก็บอกหลวงพ่อผมเป็นลูกวัดมาหลายวันแล้ว ขอเป็นเจ้าวาดเท่ากันนึไมได้ไหมหัดกันเป็นเท่าๆกันได้ไหมครับผูเจ้าบอกอย่าคิดว่าจะทําทุกอย่างให้สเสมอกันเนี่มันก็เหมือนนิทานเรื่องนั้นนะ่ะไอ้ฝีพายกับมหาดเล็กจําได้บ้างฝีพายเป็ายเรือมหาเล็กนั่งอยู่หน้าพระที่นั่งมหาดเล็กนี่ยทำหน้าที่ปรึกษาให้คำปรึกษาพระราชา พอพระราชาไม่ปรึกษาพระพาร์ททางเรือมันเล็กก็หลับไอ้กุภัยผายไปเห็นมารเล็กหลับมันก็พูดแบบเนี่ยสิทธิสตรีอะไรนี่แหละมันก็ตะโกนดังๆว่าคนเหมือนกันนี่ว่าทําไมกูพายแล้วมันนั่งหลับมันน่าจะมาช่วยกูผายบ้างมันกระบดอย่างเงี้ยพระเจ้าแผ่นดินได้ยินได้ฟังก็เออเดีย๋ยวจะต้องหาเรื่องสอนมันซะหน่อย ไปไปไปไปถึงหน้าวัดได้ยินเสียงลูกหมาล้องเงี้พยพระราชาบอกไอ้ฟรีไฟจอดหน้าตาพาร์ทพอจอดแล้วก็บ่อยหมาเล็กมันขึ้นไปอยู่หลังวัดแล้วก็ใช้ไอ้ฟรีไฟเนี่ยเ็งไปดูที่เสียงเงีน่นมันอะไรมันก็นกลมโพดเข้าไปรีบวิ่งมาบอกหมาออกลูกไว้จ้ะเออแล้วกี่ตัววะลืมนัะมันก็มุดเข้าไปใหม่ หาตัวเยตัวผู้กี่ตัวตัวเมียกี่ตัวลืมนักลมุมันมดอยู่ต้องห้าหรอบอะแม่อะไรลูกเสียอะไรมุดอ้าวหรอบแล้วในที่สุดพระราชาก็เรียกมาเล็กมาแล้วก็ให้ไอ้ฝีปายนั่งอยู่ข้างๆ้มเล็กไปดูที่ใต้นั้นมันมีอะไรมันรายงานพวดเดียวหมดทุกอย่างเลยลูก สี่ห้าตัวตัวเมียสองตัวผู้สามสีอะไรบ้างแม่สีอะไรมันรายงานทีเดียวมาเลยพระราชาก็หันไปถามไห้ผีปายเฮ้ยเมื่อกี้มึงว่าคนเหมือนกันแล้วมึงกระหมานเล็กมึงตอบเหมือนกันไมกระปมานเล็กมันดูกี่เที่ยวมึงดูกี่เที่ยวที่มึงต้องเป็นผีปายไอ้นี่มันได้เป็นที่ปรึกษาก็เพราะมันรอบคอเพราะมันรอบคอ มันเหนือกว่าสติปัญญามันเหนือกว่าใช่ป่ะอย่างนี้เหมือนกันไหมหน้าตารูปร่างคนนั้นมันเหมือนกันแต่ความสามารถสติปัญญาบุญบารมีเนี่ยมันเท่ากันไหมเขาต้อบอกแข่งเรือแข่งแพแข่งได้แต่แข่งวาสนาแข่งยากที่มานั่งนี่จะบุญเท่ากันไหมบางคนก็บุญนอะสติปัญญาเนะ้ รังเกียตัง้งนไม่รู้เรื่องอนคนฟังเที่ยวที่หลงเข้าใจเอาละสรุปไปอย่างเงี้ยนะพวกเราอย่าเรียกร้องอะไรมากนะักไม่อย่างงั้นก็บอกแม้อิสระอะไรก็ไม่ดีเท่ากับอิสระจากกิเลสภายนอกให้เลิกท่า และห้ามไม่ให้ภิกษุเนี่ยมีทาตไปรับใช้ตานให้สิทธิแบบนี้น่ะมีพระพุทธเจ้าห้ามพระเนี่ยมีทาตไปรับใช้เหมือนคนใช้ที่บางทีเดี๋ยวนี้เขาก็ล้อกันนะแม่ทีมาบวชแล้วก็ต้องคอยรับใช้พระอะไรที่ก็ว่าเนี่ยมาเห็นเร็วเนี้ยมีภิกษุนีเขาเขาก็เหมือนก็น้อยใจต่อว่า จริงะมันเป็นเรื่องสมัครใจทำก็ได้ก็ไม่ได้ตั้งใจรับใช้และถ้าเขาไม่ภาวนารับใช้พระไปใช้ก็บาปผิดเป็นปอับบาทยมไปชุ้ถูกุติอันหน่อยดิแต่ยมไม่ได้ภาวนาไว้ว่าจะทำให้ไปใช้เนี่ยพระก็ผิดก็เรียกว่าพุทธเจ้าวางหลักไว้ว่าอย่ากดขี่ข่มเหง เอาใครเป็นทาสเอาใครมาให้อยู่ต่ำกวาเราแต่เรื่องที่ผู้หญิงจะมาได้มัดกได้ผลเนี่ยท่านไม่ได้ห้ามไม่ได้กันมีสิทธิ์ได้เท่ากันนะ้าต่อมาอีกนิดหนะึ่งอยากจะดูจุดเด่นเด่นสำคัญสำคัญต่ออีกสักนิดหนึ่ง ไม่เอาย้ำทุกข้อที่บรรยายไปตอนกลางวันแล้วนะเอาไว้อย่างนี้นี่อยู่ข้อหนึ่งที่เขายกย่องว่าพุทธศาสนาเนี่ยมีลักษณะเด่นประ ก, การหนึ่งคือยกลงดาวกังได้ไหมตรงเชิคคิดๆเพื่อแวบๆถูกๆนิดๆเฉียวๆก็แสดงว่าคือนิยมสมองใกล้เคียงที่จะเข้าใจว่าลักษณะเด่นของพุทธศาสนาที่เรานับถือเนี่ยถ้าเรานึกถูกเนี่ย สุดยอดเลยแ่เด็กเก็ก็คงอยู่อย่างเดิมมนะอ่าลองเดาดิลักษณะเด่นของพุทธศาสนาเนี่ยอาจามาใบให้ไม่บังคับให้เชื่อเหมือนศาสนาอื่นเช่นต้องเชื่อพระเจ้าองค์เดียวอย่างเดียวแต่ศาสนาพุทธเนี่ยสอนให้ใช้อะไรข้อนี้สำคัญศาสนาพุทธมีลักษณะเด่นคือ สอนเน้นให้ใช้สติปัญญาในการดําเนินชีวิตไม่ใช่สอนให้เชื่อถ้าเชื่อก็เชื่อกฎแห่งกรรมแล้วก็อย่าบอกว่าเชื่อยอย่างเดียวอีกเดี๋ยวก็ปล่อยไปตามยถากรรมท่านเลยบอกว่ากรรมะวาทีกวิทยาวาทีถ้ามีความเชื่อเรื่องกรรมก็ต้องเชื่อความเพียรด้วยไม่งั้นเดี๋ยวก็ปล่อยไปตามยถากรรม ไม่มีความเพียรให้อยู่เหนือกรรมที่เราผิดพลาดมาในอดีตถ้าเรามีความเพียรความพยายามที่จะทำดีแซงกรรมเก่าจนเลยกรรมเก่านีกรรมเก่าไปไกลกรรมเก่าตามไม่ทันจะัก็เรียกตามภาษาคาว่าสร้างอุปธรรมพกกรรมให้แรงแซงอุปปปีรั ก, กรรมอุปปปีรั ก, กรรมคือกรรมคอยตามบีบคั้นกั่นแก้งอุปธรรมพกกรรมก็คือ สร้างอะไรดีๆอุปถัมภ์นู่นอุปถัมภ์นี่อุปถัมภ์โรงเรียนอุปถัมภ์โรงพยาบาลอุปถัมภ์คนยากคนจนอุปถัมภ์เด็กกำพร้ามันเรียนก้าวหน้าอุปถัมภ์ไปอุปถัมภ์มาแรงอุปถัมภ์แซงฝ่ายบีบคั้นกันแกงอย่างนี้เขาเรียกว่าใช้ชีวิตแบบปัญญาสติปัญญาไม่ใช่คนนี้ว่าเราเจิมอย่าไปคิดไปมากเลยกรรมเก่าก็ปล่อยไปตาม ยถากรรมไม่ต้องขยันอะไรเลยไม่ต้องเปรียบเทียบอะไรยอมอดไปตามยะถากรรมเพราะเรากรรมเก่าแต่ถ้าฉุกคิดสักนิดหนึงแล้วไอ้หอยโขงเนี่ยมันเกิดต่ําเพราะเราไม่คงกรรมเก่าเยอะกันนะแต่หอยโขงมันยอมจํานนไหมไม่มีมือไม่มีเท้าแต่มันหากินอิ่มได้ทุกวันไหยแล้วใครเกิดมายอมจนยอมอดเพราะถือเชื่อกรรมเก่า ไอ้นี่เรเรียกว่าไอพวกจิงหอยมาเกิดตัอหอยไม่มีมือมีอเท้าหอยมีความเพียรเดินคำเดินกินเดินด้วยปากอะไม่มีมือเท้าแต่มันก็กินอิ่มได้ใครเคยเห็นหอยมาขอทานข้างๆางบ้างเพราะฉะนั้นอย่าใช้ชีวิตโงๆ่ๆว่ายอมจำนนเพราะเราการศึกษาต่ำชาติกลุ่นต่ำ เพราะบารมีเราสร้างส ม, มามันต่ำชาตินี้เลยต้องอยู่แบบไม่ยกฐานะขึ้นด้วยสติปัญญาอะไรเลยแย่เลยมันเป็นคนปล่อยไปตามยะถากรรมเป็นคนไม่ใช้สติปัญญาดาเนินชีวิตถ้าใช้สติปัญญาดาเนินชีวิตเนี่ยมันก็จะหาเหตุหาผลใครควรแต่นี้ต้องมีตอบอีกนิดหนึง่ง แล้วทำยังไงอ่ะถึงจะได้ปัญญามาดำเนินชีวิตมากกว่าคนอื่นหรือพอๆกับเขาบ้างก็มีหลักปฏิบัติอยู่สองอย่างคือชอบใช้หูใช้ตาให้เกิดประโยชน์ทางปัญญาท่านเรียกว่าปนตะโคสะตาหูเนี่ยไฟรู้ไฟฟังอย่างวันนี้มาวัดเนี่ยตั้งใจมาฟังไม่อยอมก็แค่มาเวียนเทียนเดี๋ยวกลับหูตาอาภัพเหมือนเดิม ไม่ได้เสริมความรู้ผ่านหูผ่านตาหูกับตาเนี่ยเห็นแล้วเออเขาทำางนั้นดีเดี๋ยวเราลองทำาอิกขาบอกเราว่าอย่างนั้นอะลองทำดีมันดีเราก็ลองไม่เชื่อทันทีแล้วก็ไม่ปฏิเสธใครควรดูเหตุดูผลข้อที่สองเนี่ยท่านเรียกโยนิสมนาชิการถ้าคนมันใคร่ควรแล้วมันไฝ่รู้ใครเป็นป่าเป็นบัณฑิตเป็นนักคิดนักคนกว่านักแก้ปัญหา เขาเขียนหนังสือเราก็อ่านเขาออกรายการวิทยุโทรทัศน์เราก็ดูเขาอยู่ที่ไหนเราก็ดันดนไปหาบางครั้งบางข่ง า, งขาวเราก็เชิญก็มาติวเราบ้างอย่างเนี้ยปัญญาก็เกิดแล้วเราก็จะดําเนินชีวิตแบบคนมฉลาดไม่ใช่โง่เหลือลังเซอร์ถาวรเซอร์นิรัดนดรเซอร์ระยะยาวเดี๋ยวนี้มันมีเรื่องโง่ๆที่เหลือเชื่อไหมโยมมันยอมแมวขายกันก็นมีมันหลอกกันทางอินเทอร์เน็ตแว็บไใจเสี ย, ยตั้งกันเยอะแย ะ, ยะมีไหม ยอมว่ายิ่งวิวัฒนาการทางเทคโนโลยีมันยิ่งวินาศนาการทางศิลธรรมทางสติปัญญาทําให้คนเสียหายเยอะในเรื่องเทคโนโลยีเมื่อก่อนจะซื้อจะหาอะไรมันต้องมีสินค้ามาวางมาขายเดี๋ยวนี้เขาโทรมาบอกเขาผ่านนู่นผ่านนี่มากดนู่นจิ้มนี่จิ้มไปจิ้มมาเสียตังแล้วสังคมก้มหนะ้า ไม่ได้สติปัญญาเพิ่มขึ้นมาเลยอุ้มบ้าบ้าบาบเยี่คนนั้นจำได้ไหมข้ามทางรถไฟกดกม้มเนี่ยรถไฟเปิดบวชสองทีไม่ได้ยินรถชนตายเลยก็โชคดีเขาไม่เลทไปแม่พันโงค่คนนี้มันตายซะก่อนขยายพันอม่งั้นก็แย่ก็ข้ามไปพ้นแล้ว่อยกดใหม่ได้ไหม อย่านึกว่ามันมีของเล่นใหม่ๆแล้วมันจะฉลาดวันๆหนึ่งมันติดเกมมั่งติดยามั่งชีวิตที่ติดเกมติดยาติดสนุกติดสุขแบบนงงๆมันเป็นการใช้ชีวิตด้วยสติปัญญาไหมยมถ้าใช้ชีวิตด้วยสติปัญญาโยมชาตินี้จะติดเหล้าติดยาไหมติดไหมจะติดนี่ติดสินไหมจะติดเกมกดของเล่นสารพัดอย่างไหม เดี๋ยวนี้ผู้หญิงติดเกมจนทํางานเขาไล่ออกแล้วไม่ได้เงินเดือนเลยนะกฎหมายเขาเขาอนุญาตถ้าว่ามันเล่นทั้งวันเนี่ยเด็กผู้หญิงที่มันทํางานมันเล่นกดทั้งวันผู้จัด ก, การประธานบริษัทเขาไล่ออกได้แต่ไม่ต้องจ่ายค่าอะไรทั้งสิ้นเพราะถือว่าเด็กคนนี้มันติดมากไปมันเล่นเกินไปมันใช้ชีวิตโง่ อ, อยู่กับวัตถุของเล่นเกินไป ชีวิตพวกนี้ไม่มีปัญญาเป็นว่าตามายอมโล่ไม่ใช้คอมพิวเตอร์ใช้อินเทอร์เน็ตไม่มีโทรศัพท์ไม่มีไอโฟอนหกก็ไม่เห็นเดือดร้อนอะไรก็ยังมีชีวิตอยู่ได้แค่มีหนงังสือมีเอกสารอ่านดูตาตายังไม่เสียถ้ามันมองไม่ชัดก็ใส่แว่นตาหน่อยก็ไม่ได้ติดแว่นตาหรอกเสร็จเดี๋ยวก็ออดวาง คนเราเกิดมาติดมันโง่ปลาติดเบ็ดมันยังมีสมองดิน้นเพื่อจะให้เอาตัวรอดจากการถูกขอดเกดแหวะไส้ใสกระทะไอ้คนติดเหล้าติดยาไม่ดิน้นติดงอมเงมเมื่อวานวานนิยมได้ดูบ้างเนี่ยพิวัตรเนี่ยเขาเอามาตั้งร้อยห้าสิบพวกติดยาเมาแล้วขับเขาเรียกคุมความประพฤติเอามาทำประโยชน์โอหมสูบยากันฟันตลบ มันเข้าสวมมามาตกใจนกึกว่าไฟไหม้สวมมันเข้าไปอัดกันสามสีคนฟันขโมงเลยไอ้พวกโอ้เผาตับเผาปอดเผาซักเผาสุขภาพนั่นพุทธศาสนาเนี่ยก่อนจะทําอะไรท่านบอกให้ใครควรเสียก่อนตูปุลีจะกินเหล้าจะทําอะไรใครควรเสียก่อนว่ามันเป็นคุณหรือเป็นเป็นประโยชน์หรือไม่ใช่เออ การไข้ครควนเนี่ยถือว่าเป็นต้นเหตุให้ได้ปัญญาชั้นเยี่ยมถ้าคนเราจะกินจะใช้จะทําอะไรไม่ไข้ครควนเลยพุทธเจ้าถึงได้ตรัสว่ามิสมะคารนังเสยโยใคร่ควรวนเสียก่อนแล้วค่อยทําดีกว่ามันไม่ใค ร, คร่ครวนมันถึงได้ติดกันนู่นติดนี่ติดน้องแหนมหมดโอ้ยมันไม่น่าเชื่อนะยุคนี้มันมีของเล่นให้ติดเยอะสมัยตะมาเด็กๆไม่เล่นอะไรไม่เห็นมันติดเลย นึกอยากเล่นสนุกก็ไปตัดทางกล้วยมะอาจเป็นคอมาวิ่งเล่นยุยง่ยงๆได้อย่างใจบอกให้ไปก็ไปบอกใหหยุดก็หยุดถูกใจที่สุดเลยมากับกล้วยไม่เสียตังค์สักบาทไม่มีอะไรจะเล่นแพงๆมันเลยไม่โง่อเยอะนีซื้อของเล่นให้ลูกแพงๆมันเลยแล้วมันเล่นยันตีหนึ่งตีสองแม่ไปเตือนมันจําได้ไหมเตี้ยเด็กอายุสิสี่ฟันแม่ตาย อย่าซื้อมันเล่นแล้วมันฟันแม่ตายอย่าไปซื้อมอเตอร์มันบิดไปชนนอนไปน้ำมันพึกเจ้าชายนิทาแม่กับป้อนไปเนีนี่ใช้ชีวิตโง่โง่เหมือนโดนล่ามโซ่อยู่กับความโง่เนี่ยโยมวันนี้มาฟังเนี่ยโยมตั้งใจมาวัดเพื่อละลายความโง่แก้โง่กันโง่บ้างฟังเทศเขาใช้คาว่ากันนะฟังหลายกัน มันน่าจะกันอะไรได้บ้างเนาะกันโง่ดีที่สุดนั่งต่อไปนี้อย่านึกว่ามีอะไรเยอะๆมีอะไรมากๆมีทันสมัยเมื่อเช้านี้พูดไวประโยคหนหึ่งว่าคนเดียวเนี่ยมันต้องทำมาหากินเพื่อให้สิ่งที่จำเป็นชีวิตต้องอยู่ต้องมีต้องใช้มันขยายมากกว่าเก่าหลายร้อยเท่าเรื่องปัจจัยสีอาหารเสื้อผ้าบารยารักษาโรคเนี่ย คือมันขยายความจําเป็นที่ชีวิตต้องการเนี่ยมากกว่าเก่าหลายเท่าสมัยตะมาเด็กเด็กเนี่ยโอ้โหโทรทัศน์ก็ใหม่มีโทรศัพท์ก็ใหม่มีมอเตอร์ไซค์ก็ใหม่มีหมดไม่รู้จะไปไหนมันไม่มีให้ไ ป, ไไปก็เลยนอนปลอดภัยแต่มีมอเตอร์ไซค์ป่านนี้หวหักอหักไปแล้วอาจจะไม่มีพระไปยอมมีแต่ผียอมไปแล้วเนาะ นี่แหละอย่านึกว่าไม่มีอะไรเยอะๆแล้วเราอายเขามีบ้านเล็กอายเขาแล้วเดี๋ยวนี้เป็นไงบ้านใหญ่เกินห้าล้านสองล้านเขาเก็บภาษีถ้าบ้านล้านเดียวเขาไม่เก็บล้านห้าก็ไม่เก็บแต่ขึ้นสองล้านเมื่อไหร่เก็บนอนไปนอนมาเมื่อก่อนกูนอนสบายไม่ถูกเก็บคราวนี้นอนแล้วถูกเก็บกูไม่น่าพลาดสร้างใหญ่หรือ ร่างกายยาวหวานหาคืบฟางศอกมันปลูกทำไมยังกะแข่งกเทวดาพระพุทธเจ้าเคยอยู่ปราสาทพอบวชกลับมาอยู่คนต้นไม้ไม่เห็นท่านจำบอกว่าเสียดายปราสาทท่านหอกอยปราสาทเนี่คืออะไรรู้แบบคือเครื่องพันธนาการท่านมาไหลพบไหลาจ้าท่านปลาลบวันที่จะตัดสรู้ว่าไงท่านพูดกับมารที่มาจุงใจให้กลับวางว่าไง เจ้ามาเลยชาตินี้เป็นชาตสุดท้ายเจ้าล่อหลอกเรามาไหลพบไหลาชาติเอาตาแหน่งกริย์มามัดใจเอาประสาทหลังใหญ่ไหมเราอยู่สุขสบายเอาสารพัดอย่างมาปลนเปลอาเบอเ ร, ราไว้จนมัดใจมาไหลพบไหลาชาติชาตินี้ขอให้เป็นชาตสุดท้ายยอมยอมเคยพูดกับตัวเองไหมเนี่ยกู <biting S 2> จะหลงมึงเป็นชาต กูจะมีมึงเป็นชาติไม่งั้นที่ผัเวเลวเลยย้ำตบตีพอผัวตายเมียร้องง่ายร้ององมชาติหน้าเจอกันอีกนะเราก็ชาติเดียวก็เข็ดคาโง่เนี่ยมันเป็นไง ห, หลายอย่างนี่เขาบอกนี้ถ้าแม่ตายพ่อตายลูกตายเนี่ยอย่าไปร้องว่าชาติหน้าเจอกันอีกนะ ต้องร้องว่าไงขอให้เราทั้งสองเป็นชาติสุดท้ายซึ่งกันละกันขอให้แม่ได้ทำให้พบชาติสิ้นสุดลูกก็จะพยายามทำให้พบชาติสิ้นสุดไม่ต้องเวียนว่ายตายเกิดมาเป็นลูกเป็นผัวเป็นแม่กันเล้มันร้องไห้ร้องห่มถอนพลัดผกักละไม้ตายจากไม่งั้นเดี๋ยวลูกตกคืนบินตายกันร้องอีกแล้วพอแม่ตกคืนบินตายก็นร้องอีกแล้วพอแม่รถชนก็นร้องอีกแล้ว น้ำตาไม่มีจะใส่กี่ถ้วยกี่หายเลยเนะี่ยต้องคิดว่ามันเป็นชาติสุดท้ายสถีแต่วะเนี่ยโยจริงๆนะธรมาที่คิดบวดอยู่ได้ทุกวันเนี่ยก็ได้สติปัญญาข้อนี้เลยคิดไว้เหมือนกันอุไรโพธิ์าห ล, าหลาชาติมาแล้วชาตินี้ยังไถ้าเผื่อได้ฟุกนะขอเป็นชาติสุดท้าย อย่ามีชาติไหนๆต้องเป็นไอ้ยอมป่วยนั่นพอหนห่อยนี่เลยขอให้เป็นชาติตุดตายที่ไม่ต้องมีใครมาเป็นพระพุทเจ้าตอนราหุนเกิดท่านหลุดปากอุทานว่าไงลาหูลังชาตังควรเกิดกับเราแล้วหรือนี่นพอราหุนทอดมีอมรรภ์ไปบอกพระมเหสีทอดพระรจโอรดแล้วพระองค์ราหูรังชาตัง ฮู้ห่วงเกิดกับเราแล้วหรือนี่ยอม อ, อยากจะมุดหัวไปอีกไรพบไนชาติไหมมีครอบครัวแล้วถูกขรัวครอบสนุกประโยชวันนี้มุดมาได้ชั่วโมงนึงเนี่ยมาเวียนเทียนฟังเทศเดี๋ยวก็กลับมุดต่อไป อ, อ้ล้วครอบครัวแ ล, ล้วขรัวครอบไปไหนก็ห่วงกันเป็นลาหุลังชาตังคอยมัดคอยห่วงเป็นบ่วงรัดใจรัดขารัดชีวิต ทิ้งกันยากจากกันลำบากจากไปก็เสียดายคิดถึงหะโอ ย, โ ย, โยจนกว่าวันไหนมันทะเลาะ ก, กันแล้วก็ค่อยจากกันสบายหน่อยอยากง่ายหน่อยเออแล้วก็เป็นอย่างเงี้ยเขาบอกให้ดาเนินชีวิตด้วยความอย่าไปติดพบติดชาติติดมีติดสุขต้องถือว่าสุขนี้ ช, ชากินี้มันเป็นของทรมานผูกนัดมัดตึงอย่าไปนึกชื่นชอบ เจียวนิดก็นั่งกลุ้มแค่มันเอาตะปูมาขูดหน่อยก็เจ็บปวดนะเนี่ยมีก็ต้องอย่าให้สิ่งที่มีมันกัดหลวพ่อพุทธเจ้าคานึงว่าถ้าคนสติปัญญามีใช้ชีวิตดีเนี่ยมันมีอะไรมันก็ไม่ถูกสิ่งที่มีมันกัดคือไม่ต้องมานั่งกัดกุ้มกับสิ่งที่มีตายโยใครเคยนั่งกัดกุ้มกับลูกบา้าถ้านั่งกัดกุ้มกับลูกก็โดนลูกกัด ถ้ากัดตุ้มกับผัวกับเมียก็ถูกผัวกัดเมียกัดก็นั่งกัดตุ้มเราเลี้ยงแมวแล้วแมวมันกัดเราเเลี้ยงหมามากัดเราเราจะเลี้ยงไหมเออแล้วเราเลี้ยงชีวิตไว้นั่งกัดตุ้มทุกวันเราจะเลี้ยงต่อไหมเดี๋ยวหาก๋วยเตี๋ยวแพงๆกับข้าวดีๆเลี้ยงเรื่อยเลี้ยงไปก็กัดตุ้มไปพรุ่งนี้จะมีกินอร่อยอย่างงี้ไหมเนี่ยโอ้เดียเขารีดชีวิตถูกกัด เพราะถ้าเราจะมีอะไรก็ขอให้ตั้งหลักว่าเราจะไม่มีไว้หนักหัวใจไม่กัดกลุ้มมีเอาไว้เป็นเครื่องรองเท้ารับใจโยมรองเท้าเนี่ยเราใส่เราเหยียบไว้ข้างล่างถ้าวันใดใครมันเกิดงโง่เอาไว้บนหัวนี่มันยุ่งไหมโยมฮะยุ่งไหมเออเมื่อวันเชิญพอนึกถึงตรงนี้แว็บรองเท้าหายไปข้าง หมามันกัดขาดตกลงหมากัดรองเท้าท่าเรานึกว่ามือกัดของกูเนี่ยตกลงกูและถูกกัดไม่ใช่หมากัดรองเท้าแล้วรองเท้ากัดเราคือเราไปยึดไปแบกไปถือว่าเป็นของเราไอหมามันรู้ไหมว่าเป็นของเรายอมรู้ไหมว่าหมามันบอกให้รองเท้าคู่นี้ของพระประยอบกูอยากกัดมันรู้ไหม มันไม่รู้เราไปยึดของเราไวเองแล้วก็มันั่งกัดกรุ่มกับสิ่งที่เรามีมีรถนั่งยึดนั่งห่วงนั่งอะไรอววรก็โดนมันกัดเนี่ยชีวิตฉลาดท่านสอนว่าให้มีสติปัญญาอยู่กับสิ่งที่มีโดยไม่สิ่งที่มีมันกัดเนี่อันนี้ถ น, นัดหน่อยโยมกลับไปบ้านจะให้บ้านกัดไหม มีสมบัติจะนังสมบัติกัดไหมเมื่กีมีโยมมาบอกว่าเขาไม่มีความสุขเลยมีพี่น้องกันสามคนแย่งมรดกกันจนแม่ตายเลยกลุ่มแม่ผู้ก็ตายเลยนี่ขีเชาแปลงนี้นี่กูจะเอากันนี้นี่กูจะเอากันนี้ทิแล้วมาแย่งกันมาแม่กูอยากอยู่ดูมึงทะเลาะกันสมบัตินี่กูตายดีกว่าเนี่ยย ชีวิตถูกกัดคือนั่งกัดกลุ้มมันทุกวันทุกเรื่องคนอื่นเขาไม่กลุ่มไหมอะไรมากเราดั้งกัดกลุ้มเหลือเกินเรื่องนิดเดียวนี่มันมีเราดูข่าวได้ทุกวันนี้ไหยเรื่องไม่น่าเลยที่มาบวชลูกแล้วกลัวจัดงานไม่ใหญ่กลัมไม่ได้น่าได้ตายิงตัวตายต้องไม่ได้เกาะชายเปเหลืองเกาะปืนลงนลก ไม่ได้เกาะปลาเหลืองลูกชายแล้วนา ะ, ะลักษณะเด่นพุทธศาสนายอีกคำหนึง่งคือคําว่าศาสนาพุทธสอนให้พึ่งตัวเองมากกว่าพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์พึ่งตัวเองก็คือขยันช่วยทําให้มันเกิดอย่าร้อยคนอื่นบรรดาลไม่เกิดอย่าชอบเป็นคนหวังผลดนบันดาลโยมจะอยากจะได้เงินได้ทอง ไปออนวอนในหวังผลดนบันดาลกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์กับหลวงพ่อหลวงปู่ลูกอะไรก็ลือที่เรียกกันว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็แล้วกันคนมันไปบนวัดหลวงพ่อโสธรเยอะไมหมโยมวัดพ ร, ระแก้วเยอะไหมเยอะนะหลวงพ่อทันใจอะไรอะ่ะที่จังหวัดภากกันนะเขาบอโอ้โหคนบนทั้งวันเขาบอกมักจะได้ทันใจยอม ถ้าหลวงพ่อทาใจบันดาลศักดิ์สิทธิ์นั้นยมว่าใครจะต้องเอาก่อนจะต้องรนมนหลวงพ่อไปไวที่ไหนก่อนไวคณะรัฐมนตรีตกสชเพราะจะแก้อะไรก็นึกช่วยหลวงพ่อให้ช่วยทันใจชาวพุทธโง่โง่ก็เที่ยวหาที่พึ่งอย่างโน้นอย่างนี้คิดว่าทำใจหลวงพ่อเนียนี้มีอะไรนะหลวงพ่อสมนึก หลวงพ่อทันใจถ้ามีหลวงพ่ อ, อไหนที่เขาจัดไว้หลายองค์อ่ะมาไม่ขอยจะสนใจเลยนึกไม่ออกที่โยมอ่ะได้ยินข่าวว่าหลวงพ่อทันใจอ่ะคนไปทําบุญตังสี่ห้าสิบล้านพระเจ้าวาดก็ดันไม่ไปฝากธนาคารดันเก็บไว้ที่กุฏิปลวกกินไปตั้งหลายล้านหลวงพ่อก็เหลือกเกินเงินตัวเองดูแลปล่อยใลวกกินน โยมว่าหลวงพ่อกับพวกนี้ใครจะไหวพวกกันพวกกินเงินหลวงพ่อทันใจจังหวัดตากที่ออกข่าวอ่ะนี่ฮะโยมถ้าหลวงพ่อสมนึกอะไรเนี่ยมีจำไม่ได้ที่เขาชอบนิยมยกย่องแล้วก็มักจะหลอกพุทธลูกที่โดนบันดาลให้เนี่ยไปไว้ตามวัดต่างๆ แล้วก็ทำให้สันดานคนเสียชอบหวังพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์วงสูวงอ้อนวอนเลยกลายเป็นพุทธพิธีพุทธอ้อนวอนไม่เป็นพุทธที่พึ่งตัวเองอตตาหิอตโนนาโทโยม ว, วัดนี้ใหญ่โตเนี่ยเพราะพระพยายมหวังพึ่งอะไรเปล่าได้อ้อนวอนพระพุทธรูปบนสลาไหมทำไมยังไม่เคยจุดทูบเลยทั้งกับมตั้งวัดเนี่ย พ่อช่วยรวยๆซื้อที่ดินหน่อยเออโยมว่าพระพยอมทำแบบนี้ไหมพึ่งตัวเองใช้สติปัญญาทำยังไงว่าถึงจะได้ขยายปลูกต้นไม้เยอะซื้อที่เพิ่มตอนแรกก็ใช้ปัญญาแบบไหนออกบัตรเนี่ยจำได้ไหมบัตรสามร้อยโยมออกสามร้อยแล้วถือบัตรไว้แล้วจะมี เทปส่งเป็นดอกให้เทปรุ่นเก่าอ่ะส่งดอกทุกปีปีละสองม้วนโอ้ได้เงินตั้ง 10, 56, 000, สิบห้าสิบหกล้านซื้อที่ได้บานเลยอย่างนี้หลวงพ่อทันใจก็ไม่ต้องช่วยหลวงพ่อสมนึกก็ไม่ต้องช่วยหลวงพ่อเงินหลวงพ่อรวยก็ไม่ต้องสติปัญญาจากการพึ่งตัวเองช่วยได้ดีกว่าไหม ใครยังมีนิสัยชอบป้อนวอนคนนั้นไม่ใช่ศาสนาชาวพุทธที่พระพุทธเจ้าทันรับเข้าบริษัทน่าจะไปอยู่บริษัทอื่นบริษัทอ้อนวอนถ้าบริษัทนี้ต้องพึ่งตัวเองให้มากใช้สติปัญญาให้มากเอาละน่าจะดีแล้วเลยนะเนาะบัวยังยบเบิดจะได้เวียนเทียน เหลือกตั้งเจข้อนะแต่บรรยายก็ครึ่งคืนอือนี้โยมโยมถ้าเป็นวัดสาขาหลวงพ่อชานะตอนสมัยะมาอยู่สวนโมกหลวงพ่อพุทธทาสเทศคืนหนึ่งสามกันสองกันหัวค่ำเนี้ยกันหนึ่งประมาณสักตีหนึ่งอีกกันหนึ่งตีสอีกกันหนึ่งก็มาไปอยู่วิส า, า, า, าขมาฆาไในังเนี้ยยิ่งหลวงพ่อชานี่ ก็จะมีเดินจงกรมสวดมนต์ฟังเทศเดินจงกรมสวดมนต์นั่งสมาธิสลับยันสว่างเลยก็เริ่มถือเนสัจิกะทุดงไม่ใช่เดินพันองค์เต็มถนนทุดงอย่างนี้ก็เรียกเนสัจิกะทุดงคือไม่นอนทำความเพียรโจ่โดนสามสี่ก็เริ่มง่วงเงี่ยงพวกนี้พวกไม่มีทุดงออื ถ้าธุดงมีข้อหนึ่งในสิบสามข้อถือบิณฑบาตเป็นวัดก็ทุดงฉันอ่านมือเดียวก็ทุดงใช้ผ้าปอนปอนผ้าบางสกุลคราบดีจีวรไม่ใช้แหมก็พูดแต่ไม่รู้จริงไม่จริงจีวรราคาหมื่นแปดมีอะไรอยู่ปานอะไรนะอ่าปานแก้วหมื 18, ่นแปดเลยเหรอห่มแล้วมันหอะได้ไม่ยม อมมาเนี่ยอธิษฐานมานานแล้วไม่ใช้พระบบริจีวรคือยอมถวายไตรใหม่ๆม่มาเนี่ยอมมาไม่เคยเปลี่ยนใช้เลยนะแม้กระทั่งเขาวังเนี่ยเขาจะต้องให้ไปเปลี่ยนฉลองศรัทธาในหลวงอมมารับเรานี้ออกเ ไ, ไม่ได้เปลี่ยนเพราะอธิษฐานไว้เ่อธิษฐานไว้เราจะไม่ใช้ไตรจีวรใหม่ของพระบบริ แตใจที่พระเนรเขาซึ้งแรกเพื่อถือทุดงอยู่แต่ทุดงนี่ยเขาห้ามอวดเอาละเผยไปนิดหนึ่งุดงแอบกับทุดงอวดไมเหมือนกันทุดงอย่างหลวงปู่มั่นเนี่ยเรียกอะไรก็เรียกทุดงอะไรทุดงแอบแล้วเดินโชว์ตามเขตเศรษฐรกฐิจนี่เขาเรียกทุดงอะไรรู้อะไรยังไปร่วมเหมือเขาอีก อ, อีกซักนิดหนึ่ง ลักษณะเด่นจุดเด่นจุดสำคัญของพุทธศาสนาอีกข้อหนึ่งก็คือพุทธศาสนาเนี่ยสอนให้มีความขยันหมั่นเพียรไม่เกียจคร้านเอามาได้กรถาบทเนี่ยขยันในเหนือออกทางขุมขนดีปากขี้เกียจเราอยากจนน้ำล้นออกทางออนักเรียนเด็กหนูขี่อะไรเร็วที่สุดสำหรับเด็กขี้เกียจ มัตอบถนัดเดยสงสัยมันจะมีหือเปล่าล่องขี้เกียจติดแล้วขี้อื่นติดหมดเด็กขี้เกียจเข้าซ่วมไม่ลาดน้ําอะไรติดซ่วมเห็นภาพผลเลยเด็กขี้เกียจปากเหมืนไม่ค่อยแปรงฟันอะไรติดฟันเด็กขี้เกียจตื่นมาไม่ล้างหน้าล้างตาตาเขขระอะไรติดตาเออ เด็กขี้เกียจอาบน้ําไม่ถูตัวคอเ ป, ปื้นเลยมีหน้ามาถามพระขี้ใครอยู่ที่คอมันก็ขี้มันแล้วแหละเออทั้งวันเนี้ยโยมตอนนี้คนไทยโยมว่าขี้เกียจไหมนเนี้ยช่วงเนี้ยเขาว่าอะไรนะผู้หญิงเนี่ยที่ขยันที่สุดในโลกนี้มีประเทศอะไรบ้างผู้หญิงเวียดนามนี้ก็บอกขยันที่สุดผู้หญิงเวียดนามหนึ่งคนทํางานเท่ากับผู้หญิงจีนสองคน ผู้หญิงจีนสองคนทำงานเท่ากับผู้หญิงไทยห้าคนไม่รู้เขาทำอะไรเนี่ยแต่ว่ามันน่าจะจริงนะผู้หญิงโอโ้เวียดนามเนี่ยยอมไปดูนาแถวสกล น, นครนะไม่มียญกขึ้นเลยแล้วไปดูเวียดนามเนี่ยวันโรงเรียนปิดเสาร์อาทิตย์น่ะเด็กนักเรียนเนี่ยมันทำงานถอนหญ้าในนา ปิดน้ำอะไรกันไม่รู้ไปดูได้เลยที่เขาถ่ายเป็นสารคดีเด็กรุ่นรุ่นเนี้ยวันเสาร์อาทิตย์มันจะไปช่วยถอนหญ้าไปช่วยดำนาไปช่วยเกี่ยวเา้าอะไรขนเกาวเต็มมาเลยทำนาสะอาดไปดูของเราทีหญ้าขึ้นท่วมเขาลูกไโปโพไปดูปล่อยแม่กับพ่อแกทํานาลูกบิดมอเตอร์ไซค์ผ่านน้ำมัน เนี่ยธรรมานี่จริงๆนะมีแม่เป็นต้นแบบมีแม่เป็นไอ้ดั้มไอดั้อะไรที่รู้ใช่ไหมแม่ขยันจริงๆเดี๋ยวใครไปดูเดี่ยสร้างอนุสาวรีไว้แม่นอนกับน้องแม่พอตกดึกเดือนไห้แม่หายทุกทีน้องรองเราก็ต้องเดินพาไปหาแม่เห็นแม่ฟันดินเดือนไห้ก็ตะโกนเรียกแม่แม่น้องรองเราขึ้นมานอนกับแม่ แกก็ตะโกนสวนมาว่าไอ้ยอมมึงไปนอนเั็นเพื่อนน้องไอ้แม่คนที่ลูกยดียแม่จะมุ่งมั่นฟันดินปลูกกล้วยปลูกอ้อยเองกินจะได้ไม่ต้องไปยืนดูปากลูกคนอื่นก็กินจะได้เมื่อกี้ไปถามนาอ้อยวนยันนิยมขันหกร้อยขดไม่พอขายที่แหละแม่บอกปลูกกล้วยปลูกอ้อยเองกินเลยปลูกสบานเลยกองปเนเปน แต่วันนี้คนซื้อเป็นบ้าเลยโยมเจ็ดแปดร้อยขวดไขยเกียวเลยไห่น้ำอ้อยวันนี้ลองเดาดิได้เท่าไหร่เราวาดชนาน้อยไม่มีเช็ดจากจะาอยู่เนียนของจันมาตัา้งไวาหกพันกว่าเนี่ยสั่งไวนะ้แล้วมันดันมันปลาวันนี้ปลามันกะว่าเดี๋ยวตอนเย็นนะ โยมฝั่งเทศเนี่ยจะให้มนันยกมาเมื่อกี้ไปเปิดดูไม่มีเลยหมดก็จะมาตั้งสักถังหนึ่งแล้วก็จะจะหยิบแล้วก็ดด่มแล้วก็หยอดน่าจะมึดจะกล้ามก็ได้สักพันเราไม่มีในทุนเราไม่มีใครมาทำบุญเยอะตั้งกระบวดมาในโยมลองเดาที่พระพยอมเคยได้รับเช็คสองล้านหล้านบ้างไหมไม่เคย ไม่เคยได้รับเลยก็ได้น้ำอ้อยบ้างแต่มาปลาบบางแต่มาม้วงบ้าได้กล้วยบ้างไม่น่าเชื่อนะกล้วยกับอ้อยปีนี้ได้เงินเป็นล้านอ่ะนี่เอ๊เอเอไอ้เนี่ยปิ้งแล้วอร่อยนะกล้วยบุกนี่เดียโยมมาทําบุญนะจะบอกให้ต้อไม้ถูกฉลกปลายเดือนมีนาเนี่ย มอปรางจะสุดมายงชิดชยเลยมาเถอะบุญก็ได้ไส้ก็เต็มนะเนี่ยโย่โชคดีที่มีแม่เป็นต้นแบบเป็นไอดอลไอดอลของชีวิตเราทยันจริงๆเดือนไหต้องฝันดินถ้าเดือนมืดนั่งเย็บจากหันมาทำนมีมไม่ ออก ร, ไร้ทำทุกวันตีหนึ่งตีสองเราหลับมาเอา้าแม่ยังนั่งทำอยู่เลยมันก็ติดสมองมาเหมือนกันนะแม่แกทำทั้งวันทั้งคืนไอเราเนี่ยมไม่ค่อยได้ทำดึกดื่นขนาดนั้นแต่ว่ายอมว่าสิบห้าชั่วโมงเนี่ยเอามาทำจริงๆนะกลับจากเทศบางทีหกทุ่มตีหนึ่งยังอดไปฉายไฟดูไม่ได้ว่างานที่สั่งไว้ มันสำเร็จไหมถ้าไม่สำเร็จเช้าก็ไล่บีมต่อไปกลางคืนบางทีก็ไปเดินเซอร์วีแผ่นนิ่งไว้ชาวมอบงานต่อไม่งั้นนะเดิมวัดนี้มีที่ดินสามไร่เ๋ยวนี้ซื้อได้ร้อยเจ็ดสิบ้าไร่ยอมว่าจะมาบนหลวงพ่ออะไรบ้างไหมบนทำไม้ศาจนาคริตก็ว่าไงอยากให้พระเจ้าช่วยต้องช่วยตัวเองก่อน แลพระเจ้าจะช่วยถ้าเราคิดว่าชีวิตเราเนี่ยต้องอาศัยความขยันคนอื่นแล้วตัวเองไป น, นอนแบข อ, ของนี่จมาเห็นเด็กๆมันขอตังค์พ่อตังค์แม่มันนะเนี่ยเป็นลูกยเยอะจะตบไปฟั่มเลยมือมันใหญ่เท่าพ่อเท่าแม่แล้วมันยงมาขออี่ยมเชื่อไหมอย่าว่าคุยโมนิดๆก็อายุเท่าไหร่อ่ ะ, อ ย, อ, ะอยู่ปสามอ่ะ ก็สิบปีามารับจ้างขึ้นมาขึ้นมาแลาว้วต้นหน้าสิบตังค์ขึ้นได้แปดสิบต้นต้นหน้าสิบตังค์ก็ได้สี่สิบบาททําไมนุ้นประทูมันถูกสามเข่งสองบาทตูบมะรึมเลยนึงสามเข่งสองบาทซื้อมาสองบาทสามเข่งให้พ่อซื้อเครื่องในซื้อหอยแกงพอต้มแกงเสร็จกินกันพี่น้องพ่อพ่อจะตบไหลยอม พอดีใจที่ได้เองมาเป็นลูกลูบจักอาหากับขา้ากับป่าไม้พ่อให้พี่ให้น้องได้กินกันอิ่มหนำสำราญขอเองจเจริญเจริญนะแค่นี้ก็มีกำลังใจปีนปทุกวันโอ้ยขึ้นเหนื่อยจะตายโดนแตนโดนมดกับเอาตัจนได้สมัยโน่นเนี่ย หมากนะนะถ้ามันแก่สามต้นติดกันเนี่ยถ้ามาจะขึ้นต้นกลางแล้วโย่มาต้นนี้โย่มาต้นนี้พอยโย่เฉือนต้นนี้ออกกวางที่ตักถ้าโย่มาต้นนี้ก็วางแถบตักเลยแล้วจึงเฉือนต้นกลางที่เราขึ้นของแขนอีกมือกอดต้นลูดลงปุ๊บโยงเคยไหมเวลาลงต้นต้นมากปุ๊บพุ่นตลบเลยขาลอนสลาย อยากรีบขึ้นตอนต่อไปบางทีเขาจ้างสองคนมาแปลงใหญ่สวนใหญ่ถ้าเราขึ้นช้าลงช้าเราก็เสื้อไอ้เพื่อนที่มันขึ้นเร็วลงเร็วไม่ได้เพราะนั่นมันขึ้นเร็วกูก็ลงเร็วกูขึ้นแล้วกูลงแลง้วกูแยงกันอะ่ะทำสถิติจํานวนตนใครจะมากว่ากันอุ้ยสมัยโน่นนี่พูดถึง้เรื่องทํางานเนี่ยนะเทียบกับเด็กสมัยนี้ไม่ได้เลยแม้วันนี้น่าเจ็บใจ ให้มันเด็กผู้ชายเด็กหกเจ็ดคนให้มันอยู่รับสังฆทานไม่มันหายวัวไปไหนเจ็ดคนเนี่ยเราบอกเอางี้สิไปเล่นสามแล้วก็อยู่สามสองว่าไปพัดกันนี่มันหายหมดเลยเรายกทับไปเรียกคนมาช่วยยกแมวันนี้เสียความรู้สึกเลี้ยงเสีย้าสุด มไม่รักงานเลยโยเลี้ยงก็ไม่เลี้ยงนะเด็กบางคนเนี๋ยเลี้ยงไวอ้อ่ะแม่มันก็งี่เงาเลี้ยงก็ไม่รุนเรี้ยงงานก็ไม่ทําขอตังค์ใช้นั่งกดตั้งวันโอ้จบขุนลึกเลยที่ไม่ได้นผัวใครพ่อใครสบายไปชอบทํามีนักดแย่นะเห็นลูลกมันนั่งกดแล้วเราขยันเนี่ยแล้มันนั่งกดเนี่ยคงได้ตบกันบ้างอนะ ดีไม่ดีเป็นพ่อขารู้สุขแต่ไม่มีธรรมะไม่มีธรรมะล้วอยู่แบบนั้นมันคงลําบากแต่เนี้ยเอาทํามันดีมันคงไม่มาอยู่กับเรามไม่ให้เราบำเพ็ญบา ร, รมีคิดนี้ก็สบายใจนะใใครับไม่เกียรตขี้เกียจมีคนก็บอกหลงพ่อหลวงพไม่มีคขานมันเมืองไอ้เด็กพวกเนี้ยเกียว ไปอยู่ใต้ดินก็ลำคาญเสเดือนอีกแล้วเนาะอยู่ข้างบนเนี่ยดีแล้วั่นแม่มาเหมอมันเยอะนี่วัดธรรมกายเขาดีนะเอ็นเขาถอยทั้งวัดเนียไม่เจอหมาสักตัวแมวตัวหนึ่งไม่มีเขากำจัดได้ยังไงของเราเต็มไปหมดแม่ที่ทำมาคิดทำคอนโดมาเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยเทศดทอยู่เนี่ยมันจะมาแต่งงานกันหน้าธรรมะเลย ตาายกันยันยังยึดเลยคิดทาคอนโดมาอยู่นี้มันก็เล่นมาปล่อยดึกดึกเดินเดินมาปล่อยหน้าวัดอ่ะเรื่อยเลยไม่สงสารพระมึงค่าอาหเดือนละสอามแสนแล้วตนี้อ่านมายังไม่มีคิดอ่านว่นควายอยูนะเกี่ยวยากันทุกวันเดินเดินไปกันนั่งดูมั้ย มึงอยู่กับกูไม่ให้อดแล้วมันนะเพราะว่าตอนเล็กๆเราเคยอดมาเนี่ยไม่มันอดตาลายเลยนะแต่มามตอนเล็กๆกันไม่มีอยู่บ้านนาท้องนาเนี่ยหิวขึ้นมานี่มีอย่างเดียวเอาพัวไปขุดแเ้วแล้วเหวเนี่ยมั น, ม, นมันแันเหวจริงๆอะขุดวันๆมันเหวไม่ค่อยได้หรอกทำไมนึกกลับข้าวโยบมะนิ่มเ น, นี่ไม่รู้จักนะ มันอยู่ท้งองนานู้นละหลักคอลนลักบัวหลวงน้งแก้วเนี่ยไม่มีเรือขายของอะไรไอ้รถพุ่มพวงนี่มันเพิ่งมีไม่กี่ปีอ่ะที่ห้อยเต็มรถเน่ยสมัยนู้น่เห็นอะไรห้อยสักทีอ่ะเยองมากถึงงนาไอ้นามะขามเทศเห็นมะขามเทศห้อยมากใสยกินฝาดบันไรเลยสมัยก่อนมันไม่มีพันมันไม่ตามขึ้นอ่ะอะไรขึ้นมาก็ อ, อยู่กันงั้นเลยฟาดเดีนี้ ม, มาอ๋อมะขามเทศฝักใหญ่มัน ก่อนไม่มีฝาด ต, ต้องอามาทำอะไรทมประามเทพฝาด ต, ต้มแล้วหายฝาดนะรู้เรื่องป่ะปูดกับคนไม่เคยเห็นลำบากใช่แม่สมัยโน้นเนี่ยามาโดนเขกโวนนมหลายทีน้ำตาลกะนนเขาเรียกหมอก้อกะนนรู้จักไมหมอ้อกะนนเนี่ยแม่ใส่ไว้เพื่อจะแกงจะตำน้ำพริก ซื้อมามอกระนนนึงเนี่ยก็กินไปหลายเดือนเอาทีน่นันนิดแต่ น, นี้ปรากฏว่าเราเมื่หิวอะพอเห็นมะพร้าวมาแล้วขูดมะพร้าวน้ําตาลใครกินไหใครไม่ใครกิ น, ไ, กนไหมใครเคยไหมเข้าสุดคุกน้ําตาลแล้วมะพร้าวขูดอ่ะวาสนาปากไม่ถึงอุ้ยถือว่าสุดยอดแม่เห็นเข้าโอ้ใช้ทัพีก็มี ไตกระจาแบบเก่าว่าเจ็บทับไตโบโลแล้วก็กูจะไว้แกงได้กินกันเทั้บ้านกินคนเดียวไปเจ็บแอ บ, บแยบแต่แม่ในสุดยอดประหยัดแคยันอย่างเดียวไม่พอนะประหยัดเชื่อไม่แค่กินกับข้าวเนี่ยปูเข็มกล้ามเดียวนะตักข้าวดูดนิดตักข้าวดูดนิดเพราะใกล้อิ่มกัดรวงอิ่มเลยปูเข็มกล้น ที่นี่ัสัตวต์สี่ตัวมันไม่รู้จักขยันประหยัดเ น, นี่ยถ้ามาว่าแม่โชคดีที่เกิดมาได้เห็นความขยันของแม่เป็นต้นแบบแล้วก็ย่าก็ขยันเห็นคนขยันขยันหลายคนเดี๋ยววันนี้ตายไปคนแรกเดี๋ยวพรุ่งนี้ว่าจะไปเทศนิดฐ์นั้นก็ขยันเหลือกเกิน เขนจำจริงๆทำงานบ้าบอเลยวันหนึ่งทำสิบแปดชั่วโมงตีสามตื่นแล้วอามาเนี่ยไปขึ้นตานขึ้นมาพระปาดน้ำตาลเนี่ยไปตีสามใช้ไฟฉายใช้ไฟฉายผูกคอเป็ปาดน้ำตาลเนี่ยสมัยนั้นถ้าเด็กยุคนี้นะยอมว่ามันทำสามเดือนมาวันผูกคอตายหมดเอามาวันผูกคอตายหมดแต่ก็มีนะสมัยที่จะมาทำน้ำตาลหยดน้ำตาลมาพระก็มีคนผูกคอตาย ขึนได้ไม่กี่ต้นที่ทำามป่า น, นี้มันยังไม่ส่งน้ําตาลมาเคี่ยวทำไมมันก็เรียกเข้าเวรกันของใครมีกี่กระบอกกี่ตัวมาตวงตวงแล้วเราเคี่ยวแล้วคนอื่นก็เคี่ยวมั่งไม่มาไปดูที่ไหนได้แหวนต้องแต่งต้องแต่งแต่ถ้าเป็นยุคนี้นะแต่มาวันร้อยนี่มันตายห้าสิบก็เจองานหนักอช่านั้นนะที่เดี๋ยวนี้งานเบาๆมันก็ไม่อยากทํา มึเปน็นอะไรหนักเอาเบาสู้เนี่ยมันไม่ไม่เอาทั้งแก๊สไม่เอาทั้งถ่านไอที่เขาพูดมึงนี่ไม่เอาท่านเดี๋ยวนี้แก๊สก็ไม่เอาท่านก็ไม่เอายุงเอ้าโย่พอแล้วเนี่ยหนักไปก็ปีหน้าไม่มาแล้ววัดมาทีแล้วคเยี่ยมเลเอ้าก็ขอขอวยพร ให้ทุกคนได้ดูลักษณะพิเศษเด่นชัดของพุทธศาสนาตามที่ได้กล่าวมาไม่ว่าจะเป็นใช้ชีวิตด้วยสติปัญญาไม่ว่าจะเป็นความขยันมันเพียรไม่ว่าจะพึ่งตนเองสิ่งเหล่านี้คอยไปฝังจิตฝังใจเป็นนิสัยสันดานไปทุกภพทุกชาติเพื่อจะได้หลักดีๆงามๆไปประดับชีวิตกันไว้ จงชีวิตนี้ชีวิตงามชีวิตดีด้วยกันทุกท่านทุกคนเถิน